จะงอกออกมาคมละขนคมละขนคมละขนเ น, นี่ยนะคมละเส้นน่ะนะแล้วก็ที่สําคัญท่านบอกว่าขนเนี่ยนะโลมาชาติโลมะโลมาคืแปลว่าขนเนี่ยนะเส้นขนเนี่ยที่มีปลายช้อยขึ้นข้างบนเส้นขนแต่ละเส้นนี้มีสีเขียวเหมือนอะไรเหมือนดอกอัญชันแต่ละเส้นนั้นขดเป็นกุลทนทักษิณาวัฒขนเนี่ยเวียนขวาเนี่ยนะเพราะจริงๆนะ คนคนของบางคนนี่เขาเวียนนะนะเคยเห็นเหมือนกันมันดูเวียนเวียนเหมือนกันแต่นี้แต่ของพระองค์เนี่ยเวียนทั้งร่างกายเลยนะสีเขียวแล้วก็งามตัดกับหนังหนังสีทองเนี่ยนะเนื่องจากว่าพระมหาบุรุษมีโลมาชาติคือขนเนี่ยนะที่มีปลายช้อยขึ้นเบื้องบนตอนปลายเวียนเป็นทักษิณาวัตตั้งอยู่มองดูพระพักงามนนะเรียกว่ามองดูแล้วก็งดงามพระมหาบุรุษมีพระโลมาชาติมีปลายช้อยขึ้นข้างบน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 บ ร, ม, บรมมุชุ ค, คัตโตความว่าพระมหาบุรุษมีพระวรกายเหมือนกายพรมคือมีพระวรกายเนี่ยสูงตรงขึ้นไปทีเดียวซึ่งแต่สัตว์ทั้งหลายไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมสัตว์ทั้งหลายโดยมากย่อมน้อมไปในที่ทั้งสคือที่คอบางทีเวลานั่งเนี่ยคอตกเลยเหมือนันนะนั่งคอตกบ้างนั่งคอเอียงบ้างนั่งเรียกว่าแทบเหมือนกับว่าคอนี่งายขึ้นข้างบนบ้าง เรียกว่าเมือนกระแงนหน้าเป็นต้นแต่ของพระหมหาบุรุษเนี่ยจะตรงทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าสัตว์ทั้งหลายทั่วไปเนี่ยมันมีความคดตรงคอตรงเอแล้วก็ตรงเข่าเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเวลายืดเวลาเดินเนี่ยมันก็เหมือนเดินก้มเหมือนกับเดินหงายเนะี่ยนะก็ก็เคยเห็นคนเดินอยู่แล้วนะบางคนก็เหมือนกับเดินแง้นเพราะะนั้นบางพวกก็มีร่างกายสูงบางพวกก็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 ตั้งแท่นเหมือนกายพรมนะก็คล้ายเทวรูป16มีพระมังสะเต็มในที่เจสถานเนื้อเต็มในที่เ็ดแหง่งเจ็ดแห่งก็คือมีเนื้อบริบูรณ์เจดแห่งก็คือหลังพระหัตถ์ทั้งสองอนะไม่ใช่มองเห็นกระดูกไปหมดเลยนะแล้วก็หลังพระบาทหมครับว่าหลังพระบาทหลังเท้านะหลังเท้าทั้งสองก็เนื้ออูมบริบูรณ์จะงอยบ่าก็ไม่ใช่บุ๋มลงไปนะก็งามแล้วก็ลำพระศอก็ไม่ใช่ว่า ไม่งามนะลำพระศอกเกลี้ยงกลมเพรานั้เรียกว่าเต็มในที่เจสถานเพราะฉะนั้นอของพระองค์นั้นไม่ปรากฏเป็นเส้นเลือดไม่เหมือนกับคนทั่วไปใช่ไหมเห็นเส้นเลือดเห็นเหมือนกับกระดูกเนะี่ยเรียว่าหยิบมือขึ้นมองก็เรียกว่ามองแทบจะมองเห็นกระดูกอยู่แล้วเนี่ยนะบางคนก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าเหมือนกับมนุษย์เปรตอย่างนั้นแต่ของพระมหาบุรุษไม่เป็นอย่างนั้นก็ดูงดงามนะ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 ทรงงดงามเพราะมีอวัยวะส่วนใดเรียวอวัยวะส่วนนั้นย่อมตั้งอยู่เรียวทรงงดงามเพราะอวัยวะส่วนใดกว้างอวัยวะส่วนนั้นย่อมตั้งอยู่กว้างทรงงดงามเพราะอวัยวะส่วนใดกลมอวัยวะส่วนนั้นก็ย่อมตั้งอยู่กลมก็แปลว่าตรงไหนควรจะยาวควรจะสั้นควรจะล่ําควรจะเรียวควรจะกว้างควรจะกลมแต่ละอย่างนั้นก็เหมาะสมและสมควร ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าอัตภาพร่างกายของพระมหาบุรุษนั้นสะสมไว้ด้วยทานเป็นอันมากสะสมบุญไว้ด้วยบุญเป็นอันมากเนื่องจากว่าเป็นสรีระที่ได้รับการตระเตรียมมาด้วยบารมีทั้ง10คือบารมีเนี่ยทั้ง1ิที่พระองค์ได้ให้มาตกแต่งนะสรีระร่างกายที่ตกแต่งด้วยทานะบารมีตกแต่งด้วยศีลบารมีตกแต่งด้วยเนคขัมมะบารมีเป็นสรีระร่างกายที่ได้รับการตกแต่งด้วย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 พระองค์ด้วยความชื่นชมในในบุญบารมีที่พระองค์สร้างสมมาในพุทธสรีระที่บุญตกแต่งแล้วก็เป็นสรีระที่ทรงไว้ซึ่งพระคุณอันหาประมาณไม่ได้ก็เป็นเหตุแห่งประโยชน์และความสุขแก่ผู้ที่มองด้วยจิตใจที่ชื่นชมเนี่ยนะต่อไป18เนี่ยนะมีระหว่างพระอังษาเต็ม คำว่าระหว่างพระอังศาก็คือพระมหาบุรุษนี้มีอังศาเนี่ยเต็มบริบูรณ์ก็คือบ่าเนี่ยอังสาก็คือจงอย่าคือบาเพราะเหตุนั้นพระมหาบุรุษมีระหว่างพระอังสาเนี่ยเต็มอันที่จริงฐานะนั้นของคนพวกอื่นนี่บุม๋มหลังและเท้าทั้งสองของก็ปรากฏเฉพาะตัวแต่ของพระมหาบุรุษพื้นพระมังสาตั้งแต่บั้นพระองค์จนถึงพระศอขึ้นไปปิดพระปริสดางตั้งอยู่เหมือนแผ่นกระดานทอง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 เท่ากับพระวาของพระองค์เรียกว่ากายเสมอกับวาวาเสมอด้วยกับร่างกายเนี่ยนะอธิบายว่าบทวา่านิโครทปริมันดโดโรคือพระมหาบุรุษมีป ร, ริมณฑลเนี่ยดุดต้นใส่ต้นนิโครธอธิบายว่าพระมหาบุตรแม้โดยพระวรกายแม้โดยประพยายามประมาณเท่ากัน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 พันเวลาพูดบางคนเนี่ยเอ็นก็เหมือนกับตาขายปรากฏแปลว่าบางคนเนี่ยแปลว่าเส้นเอ็นเนี่ยออกมาพันบางทีก็เสียงก็ออกมาแหบแต่ของพระมหาบุรุษไม่เป็นอย่างนั้นลำสอของพระมหาบุรุษเช่นกับกลองทองที่เขาเกลงไว้ดีแล้วเนี่ยนะแปลว่าเหมือนกลองพันที่เวลาพี่พระองค์ตรัสเนี่ยนะเอ็นเป็นตาขายก็ไม่ปรากฏพระสุรเสียงของพระองค์เนี่ยจึงก้องดุดเสียงเมฆกระหึม่ม นะก็คือคือเนื่องจากว่าไม่ใช่บางคนเวลาพูดเนี่ยนะโหเส้นเอ็นเนี่ยนะเส้นเอ็นบ้างเส้นเลือดฝอย เ, ออเส้นเลือดต่างๆก็แม้ออกมาหมดเลยหรือลูกก็เดือกอะไรเป็นต้นก็ปรากฏแต่ของพระองค์นั้นไม่มีเป็นแบบนั้ น, ต, นะ ต, ต, นต่อไปก็นะไล่ตั้งแต่ตั้งแต่เท้ามาจนถึงใช่ไหมตั้งแต่เท้ามาถึงเข่าอะไรไล่มาจนถึงคอแล้วทีนี้ต่อไปเกี่ยวกับช่องปากบาั้งลิ้นที่ปลายลิ้นเนี่ยนะที่แผ่นลิ้นของพระองค์เนี่ย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 ได้ยินว่าพระมหาบุรุษมีเส้นปราศาสสำหรับนำรถอาหารประมาณ 7,000 เส้นมีปลายขึ้นเบื้องบนแล้วก็รวมกันที่ลำพระสอนั่นเองพระกยายฐารแม้เพียงเมล็ดงาตั้งอยู่บนปลายพระชิวหาก็แผ่ทั่วแผ่ซ่านทั่วร่างกายทุกส่วนของพระองค์กระอาหารแตะปลายลิ้นนี่อร่อยหมดเลยเพราะฉะนั้นพระมหาบรุษเนี่ยเริ่มตั้งความเพียรอยยิ่งใหญ่หรือมหาประทานเนี่ยนะ โปร่งจึงสา ม, มารถให้ร่างกายเนี่ยเป็นอยู่ได้ด้วยอาหารเท่ากับข้าวสารเมล็ดเดียวขนาดของอาหารเท่าข้าวสารเมล็ดเดียวนี่ก็อยู่ได้เพราะอะไรเพราะเส้นอาหารที่รับรถเนี่ยมันเอาสา ม, มารถเอาไปหล่อเลี้ยงได้เป็นอย่างดีด้วยเพียงผักดองฝายมือหนึ่งบ้างหมายถึงว่าอาหารแม้กระทั่งว่าผักดองก็ได้เนี่ ย, น, ยนะเท่ากับว่าเราอุ้งมือเดียวเนี่ยก็กนะ็อยู่ได้แล้วแต่ของคนอื่นไม่เป็นอย่างนั้นนะนะไม่ได้เป็นอย่างนั้น อาหารก็ไม่ได้แผ่ไปทั่วร่างกายได้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นคนเหล่านั้นจึงมีโรคมากแต่ของพระองค์ไม่ใช่เป็นคนขี้โรคเป็นต้นเลยก็ทำบุญมาดีนะทาบุญมาดีก็ทำให้บริโภคอาหารอร่อยแล้วก็ร่างกายก็ไม่ค่อยมีโรคภัยไข้เจ็บอะไร22พระองค์นี้มีพระหานุคือคางดุดคางราชสี บทว่าพระหานุคือคางของพระมหาบุรุษดุดคางราชสีเพราะเหตุนั้นพระมหาบุรุษจึงมีพระหานุคือคางเนี่ยดุดคางราชสีคางราชสีเนี่ยนะคางท่อนล่างบริบูรณ์ท่อนบนไม่บริบูรณ์ทาราชสีเนี่ยไม่บริบูรณ์แต่ของพระมหาบุรุษนี้สมบูรณ์บริบูรณ์ทั้งสองข้างทั้งข้างล่างและข้างบนเหมือนไรเหมือนพระจันทร์ในวันขึ้นสิองค่าเคยดูพระจันทร์ขึ้น12ค่าเนี่ยนะก็คือแปลว่า คางเนี่ยกลมงามเหมือนดวงจันทร์ข้างขึ้นส2บสองคทีนี้ในช่องปากเอกเนี่ยนะในช่องปากพระองค์นี้มีพระทนคือฟันเนี่ยสิบซี่ทั้ง4ี่สิบซี่นี่ก็เรียบเสมอกันไม่ใช่มีสูงสูงต่ำๆทั้ง4ี่ิบซี่ก็ไม่ใช่ว่าห่างกันซะจนน่าเกลียดเนี่ยนะแต่นี่แค่ว่าเหมาะสมดีสำหรับฟัน4ี่สบซี่ข้างบนยี่สิบข้างล่าง ยี่สิบเนี่ยนะของพวกเราทั้งหลายโดยปกติก็มี32มซี่เนี่ยนะซี่ก็ต้องไอ้ี่ซี่ที่งอกมาทีหลังก็ไม่รู้มาทำให้หมอมีนีงานทำมางนเนะมีพวกธันธแพทย์คอยพาออกเนี่ยนะถ้าไม่พานี่สร้างความเดือดร้อนมหาศาลมันงอกมามันก็ไม่ได้งอกขึ้นตรงมันดอกมาชนพวกชนฟูงเขาหมดนะต้องพาตัดต้องเอาออกอะ่ะจะปวดกันนะ่นะ แต่ของพระองค์เนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นขึ้นสม่ำเสมอ ง, ง, งดงามทั้งสี่สิบสี่ของบางคนเนี่ยฟันในสูงสู ง, สงต่ำตำ่ใช่ไหมแต่ของพระองค์เนี่เสมอเรียบกันไปหมดฟันของคนอื่นบางทีเนี่ยก็เหมือนกับอะไรเหมือนกับฟันห่างเหมือนฟันจรเ์เขนหรือเหมือนกับเขี้ยวปลาที่มันแบบแหมอะไรนะมันโคนเนี่ยใหญ่ปลายนี่มันแหลมแบบนั้นนะนะแบบฟันของผู้หดเยี่ยมทั้งหลายเนี่ย พร้อมที่จะกัดเป็นต้นพระองค์ไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วก็ฟันของบางคนนี่ก็ฟันเสียฟันเน่าฟันดําฟันไม่มีสีแต่ฟันของพระองค์นี่ขาวสะอาดเนี่ยนะแค่เรางดงามเหมือนดาวประกายพรึกเหมือนเหมือนมุกเหมือนอะไรเนี่ยนะเหมือนดาวงดงามบางคนก็มีแต่โรคฟันนะนะเดือดร้อนกับเรื่องฟันปวดฟันเจ็บฟันเมื่อยนะ ฟันหลุดฟันหักถอนฟันทำฟันโอ้เกี่ยวกับฟันฟันนั่นแหละต้องให้หมอฟันมาเล่าให้ฟังบอกโอ้ยสุดยอดเลยเพราะงั้นเกี่ยวกับเรื่องฟันฟันเนี่ยความปฏิกูลไม่ได้เล็กน้อยเลยเนี่ยนะช่องปากเนี่ยนะ